เพความสุขความเจริญจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายและการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็กจะพิเศษสักหน่อยโดยจะนำเอาพรหมชาละสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกในพระสูตรตันตปิฎกทีกนิกายในพระสูตรนี้ประเด็นหลักสำคัญก็คือ พระพุทธเจ้าทรงนำเอาความคิดเห็นในสมัยนั้นซึ่งมีอยู่โดยสรุป62ประการด้วยกันมาท่งแสดงไว้ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในประูติเดียวกันมีข้อความโดยสรุปว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในราชอุทยานชื่ออัมพรัตกาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชครึกกับบ้านานาลันทาคามต่อกันได้ทรงปรารบเรื่องที่สุปยะยปริภาชกผู้เป็นอาจารย์กับพรมทัตตมานกผู้เป็นสิทธ์กล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันคือเมื่อคราวที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ประมาณ500องค์สเสด็จออกจากพระนครราชคีมไปยังบ้านมารันธาเวลาพรบค่ำได้เสด็จไปแวะพักอยู่ที่พร ะ, พระตำหนักหลวงในพระจุทยา น, นันทศีหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่นั้นคราวนั้นสุปิยะปริภาชค ก, กับพรหมทัตตมานพและสิทธิปริวาน ก็เดินติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปโดยทางนั้นเหมือนกันแล้วได้ยึดที่พักอยู่ในที่ใกล้ที่ประทับนั่นเองสุพิยะปริภาชกได้กล่าวติเตียนพระรัตนตรยัยโดยอนเนกปริยายส่วนพรหมทัตตมานพผู้เป็นสิทธ์ก็ได้กล่าวสรรเสริญพระรัตนาใจาโดยอนเนกปริยายเช่นเดียวกัน ท, ทั้งอาจารย์และสิทธิ์ก็มีวาทะที่กัดแจงกันความเรื่องนี้ได้ทราบถึงพระภิกษุพุทธสาวกจึงได้นําเรื่องเหล่านั้นมาประรบขึ้นพระเจ้าก็เสด็จไปในที่นั้นแล้วสันถามถึงเรื่องที่ภิกษุเหล่านั้นมาสนทนากันแล้วได้รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าอื่นผู้ที่เป็นฆาตศึก จะพึงกล่าวติเตียนเราแต่ะถากฎหรือพระธรรมหรือประสงค์ก็ตามพวกท่านทั้งหลายไม่ควรจะมีความอาฆาตความเสียใจและความไม่พอใจในชนพวกนั้นเลยถ้าพวกเธอโกรธหรือไม่พอใจแล้วพวกเธอก็จะพึงประสบอันตรายเพราะความโกรธหรือความไม่พอใจนั้นเป็นเหตุอันนึงเมื่อเขากล่าวติเตียนอยู่เช่นนั้น ผู้เธอก็ทราบดีแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาพูดดีบ้างไม่ดีบ้างํำใดที่เขาพูดไม่จริงผู้เธอก็ควรหลีกเลี่ยงเสียไม่ควรฝ่ายจ่ายถึงเพราะไม่จริงไม่แท้ทั้งไม่มีอยู่ในพวกเราทั้งหมดอีประการหนึ่งเมื่อเขาพูดสรรเสริญถาคดทั้งประธรรมและประสงค์ผู้เธอก็ไม่ควรยินดีไม่ควรสมนัดและฟูใจในความสรรเสริ น, นั้น แต่ว่าพวกเธอมีความยินดีโสมนัสและฟูใจแล้วพวกเธอก็จะพึงประสบอันตรายเพราะความยินดีโสมนัสและฟูใจนั้นเป็นเหตุอั น, นึ่งเมื่อเขากล่าวสรรเสริญอยู่เช่นนั้นคำใดที่เขาพูดจริงพวกเธอก็ทราบว่าเป็นจริงแล้วเพราะมีความจริงและเป็นของแท้ทั้งมีอยู่ในพวกเราแล้วก็ไม่ควรจะหลงเพลิดเพลินไปตามที่เขาพูดนั้นเลย จากนั้นก็ทรงจำแนกศีลที่เราเรียกว่าจุลศีลหมาศีลและมัชชิมศีลเป็นการจัดลำดลาดับขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับในชั้นของศีลโดยรับสั่งว่าภิสูุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นปุตุชน เมื่อกล่าวสรรเสริญเราแตถาคตก็จะพึงกล่าวด้วยเหตุศักดิ์ศรีมีประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นศีลมีประมาณเพียงเล็กน้อยนั้นได้แก่จุลศีลมชิมศีลและมหาศีลที่เราจะถาคตได้ประพฤติงดเว้นโดยเด็ดขาดมีดังต่อไป น, นี้คือ1กลุ่มจุลศีลแต่แก่ไม่ทําลายร่างกายและชีวิตสัตว์ แต่กลับมีเมตตาเอ็นดูและอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั่วไปสองไม่รักขโมยสิ่งของต่า ง, างๆของผู้อื่นกลับเป็นผู้มีจิตสงเคราะห์ให้ปันสิ่งของแก่ผู้อื่นสามไม่ประพฤติผพรหมจรรย์เบ้นจากการเสพเมตุนธรรมโดยเด็ดขาด 4. ี่ไม่พูดเท็จโดยเด็ดขาดกระพูดแต่คำสัตย์คำจริงหไม่พูดวาจาส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคี กรพูดถ้อยคําสมานสามคัคคีเสริมสร้างสามคัคคีและกระชับความสามัคคีหกไม่พูดวาจาหยาบแต่กลับพูดแต่วาจาไพโรสนอบสดจับใจเป็นที่รักใคร่ของชนหมู่มาก7ไม่พูดเพ้อเจอกลับพูดแต่ถ้อยคําที่เป็นจริงทั้งมีประโยชน์แปดไม่ตัดพืชและพันต้นไม้ให้ขาดไปแม้กระทั่งหน่อที่เกิดจากง้าวและลำต้นหรือที่เกิดจากข้อเป็นต้นก็ตาม 9ชั้นหุ่นเดียวไม่ฉันในเวลามิการ10ไม่ดูการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นต่างๆส1บไม่ประดับดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็นการแต่งกาย12ไม่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ่13ไม่รับเงินและทอง14 15ไม่รับประเคนธัญญาหารและเนื้อที่ดิบสด 16. ไม่รับจดซีและเด็กหญิงไว้เป็นคนใช้ 17. ไม่รับธาตุและหญิงธาตุหญิงและธาตุชาย 19. 20. 21. ดไม่รับแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลและลา 21. ไม่รับไร่านาและที่ดิน 22. ่สองไม่รับเป็นคนใช้ในการส่งข่าวถึงทําหน้าที่ดุดบุรุษปลายเสน่หอันไม่ใช่กิจของสภานะ สิไม่ทําการค้าขาย14ไม่ทําการโกงหรือตาช่างหรือของปลอมหรือเครื่องตวงวัด25ไม่รับสินบนทั้งไม่ทําการล่อลวงและตลบแถลงต่างๆ26ไม่ทําการเชื่อดอวัยวัตตลอดถึงการฆ่าการจองจำการจีจริงการปล้นและการขู่กันชกบุคคลผู้เป็นปูุ้ชนเมื่อกล่าวสรรเสริญตถาคตก็จะพึงกล่าวสรรเสริญว่ามาอย่างนี้แหล นี่ก็เป็นส่วนของจุลศิลป์ประการต่อไปเป็นกลุ่มของมัชจิมศีลคือศิลที่มีถ้ำกลางได้ทรงแสดงว่าไม่บริโภคสิ่งของได้ทรงแสดงว่าเราะถาคเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้คือหนึ่ง ไม่บริโภคสิ่งของที่ทำการสะสมเก็บไว้เช่นข้าวน้ำผ้าหนุ่มผมเป็นต้นเหมือนอย่างสมณพราหมณ์บางเหล่าทำการสะสมกันอยู่สองไม่เล่นการพนันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นเล่นหมากรุกแถวและแปดตาสิบตาเป็นต้นเหมือนอย่างสมณพราหมณ์บางเหล่าเล่นกันอยู่สิ 13. ไม่พูดเรื่องดิรชานกาถาคือพูดนอกเรื่องของสมณะ สี่ไม่พูดถ้อยคําอันเป็นเหตุแก่งแก้งการเช่นพูดว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกดังนี้เป็นต้นเหมือนอย่างสมณพราหมณ์บางพวกพูดโต้เถียงกันห้าไม่พูดโกหกหลอกลวงเรียบเคียงหว่านล้อมและพูดและลิ้มเพื่อหวังลาบสักการะเกศตนต่อไปก็เป็นมหาศีล รัสา่งว่าเราตถาคตเว้นขาดจากกิจเหล่านี้คือไม่เลี้ยงชีพโดยทางผิดโดยใช้เดรัจฉานวิชาคือวิชานอกเรื่องของสมณะเป็นเครื่องมือหากินเช่นเป็นหมอโขนทํานายทายทักเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอนดีตอนาคตในปัจจุบันเป็นต้นวไทยวัยวะทายลางดีลางร้ายทายเรื่องอุบาทธรรนายฝันทํานายลักษณะแก้เวนเงินทองลักษณะผ้าลักษณะสตราวุธ ดูเริกยามญาติสาทัพแพ้หรชนะพยากรจันทรคตสุริยคราตตำนายว่าปีนี้ฝนจากดีจากแรงให้เลิกแต่งงานดูโชคชะตาราศีดีหรือไดทาพิธีบนบานแก้บนไร่มนขับพูดผีปีศาจและสอนมนป้องกันเรือนเป็นต้นเหมือนอย่างสำนักพราหมณ์บางพวกบางเหล่าประพฤติกันอยู่นี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่ามหาสี จากนั้นได้ทรงแสดงให้พิกุุทั้งหลายได้ทราบ่าปตามทั้งหลายเราอื่นยังมีอยู่อีกเป็นสภาพลึกทั้งเห็นและรู้ตามได้ยากส ง, งบประณีตเดาคาดคะเนไม่ได้ละเอียดเป็นที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิตแต่เราตถาคตก็ได้ทําให้แจ้งประจักษ์และประกาศด้วยปัญญาอยางยิ่งเองแล้วซึ่งเป็นเหตุให้บัณฑิตทั้งหลายผู้จะกล่าวสรรเสริญเราตถาคตตามเป็นจริงก็จะพึงกล่าวสรรเสริญด้วยคุณธรรมนั้นๆ พระบูมีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงจุลศีลมหาศีลมัชิมศีลจบ ม, มัชมมชิมศีลมหาศีลจบลงแล้วจึงทรงแสดงถึงสมณพราหมณ์บางพวกที่มีทิฏฐิความเห็นต่างๆกันอันได้แก่ทิฏฐิคือความเห็นผิดซึ่งจัดเป็น62ประเภทซึ่งสามารถแยกเป็นหมวดหมวดมีดังต่อไปนี้หมวดที่หนึ่งได้แก่ ความเห็นว่าเที่ยงคือความเห็นว่าอัตตาตัวตนเป็นโลกเที่ยงยั่งยืนไม่แปรผันแยกออกเป็นสสาขาคือสาขาที่1ได้แก่สมณะหรือพรามบางพวกมีความเปียนพยายามมันบำเพ็ญสมาธิจิตไม่ประมาทปฏิบัติจนได้เจโตสมาธิมีใจสงบตั้งมัน่นบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอุปเกเครื่องเศร้าหมองเลึกชาติตนหลังได้ ตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติขึ้นไปจนถึงหลายแสนชาติจึงเห็นว่าอัตราตัวตนและโลกเที่ยงยั่งยืนไม่แปรผันซึ่งความเห็นในสาขานี้แม้จะเป็นการระลึกได้ถึงเป็นแสนแสนชาติก็ตามแต่ถ้าเป็นการระลึกว่าตนเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวเป็นต้นมันก็อาจจะบัญญัติลงไปว่า โลกเป็นของเที่ยงคือตายจากอะไรก็จะเป็นจากนั้นซึ่งถือว่าเป็นความเห็นผิดระดับหนึ่งเนื่องจากความรู้เห็นของท่านเหล่านั้นเป็นการมองไม่ตลอดสายอย่างพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าสาขาที่สองได้แก่สมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติบาเพ็ญเพียรจนระลึกชาติได้เช่นเดียวกันแต่ระลึกได้ยาวเป็นกับกับ อาจจะระลึกว่าตนเองเกิดเป็นพรหมตนเองเกิดเป็นพราหมณ์ติดต่อกันไปแล้วก็นที่สุดก็บัญญัติในแนวเดียวกันว่าโลกเที่ยงคือคนเราจะตายตายจากอะไรก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นสาขาที่3ได้แก่พวกที่ปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตแต่บรรลุปุเพนิวาสานุตยานคือลึกชาติได้และลึกได้มาก ในที่สุดก็เห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเช่นนั้นเหมือนกันสาขาที่สี่ได้แก่สํนานักพราหมณ์บางพวกที่เป็นนักนึกดาวคาดคะเนเอาแล้วก็เข้าใจเอาเองแล้วก็บัญญัติว่าตัวตนและโลกเที่ยงดังนั้นความเห็นประเภทที่เราเรียกว่าสัสตตติจิคือความเห็นที่เที่ยงนั้นท่านผู้เป็นเจ้าของความเห็นเหล่านี้ มีสามสาขาด้วยกันที่เกิดขึ้นจากยานคือความรู้ซึ่งจํากัดมองปัญหาเหล่านั้นไม่ตลอดสายแต่ท่านก็พูดตามที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงๆเหมือนกันเช่นปะกาพรมระลึกได้ว่าตัวเองเกิดเป็นพรมสืบเนื่องมาเรื่อยเนื่องจากบาเพ็ญฌานไม่เสื่อม แล้วเกิดด้วยกําลังของจานก็เป็นพรหมเรื่อยไปถ้าระลึกไปถึงจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็บัญญัติโครมลงไปเลยว่าคนเราตายจากพรหมก็ต้องเกิดเป็นพรหมตายจากมนุษย์ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ตายจากสัตว์เดรัจฉานก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เพราะความรู้ที่จํากัดจําเขี่ยของท่านส่วนพวกหนึ่งก็เป็นนักเดานักคาดคณีอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ก็แล้วแต่เขาจะพูดเอา ซึ่งคนประเภทที่สี่นั้นในปัจจุบันก็มีอยู่เป็นจำนวนมากหมวดที่สองมีความเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงคือความเห็นว่าอัตราตัวตนและโลกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพวกนี้แยกเป็นสี่สาขาเส้นเดียวกัน <c oughs> สาขาที่หนึ่ง เป็นบุคคลที่จุติมาจากพรหมโลกแล้ออกบวชมีความเปลี่ยนพยายามมันบำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจจนสามารถระลึกชาติที่ตนเกิดเป็นพรหมได้แต่ระลึกเลยไปจากชาติที่เกิดเป็นพรหมไม่ได้จึงเห็นว่าท้ามหาพรหมที่ยังคงอยู่ในชั้นพรหมโลกไม่มีการจุติเป็นผู้ส่งอำนาจเป็นผู้สร้างเที่ยงแท้ถาวร ส่วนตนเป็นผู้ที่ท้ามหาพรมสร้างขึ้นไม่เที่ยงถาวรมีอายุน้อยจึงต้องมีการจุดจิอย่างนี้ความเห็นสายนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าก็คือความเห็นประเภทของพวกที่ได้บําเพ็ญเพียรบรรลุเจโตสมาธิคือได้ปุเพนิวาสารติยานทะลึกได้ไปถึงจุดหนึ่งรึกเลยจากจุดนั้นไม่ได้ แล้วก็มองเห็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นของเชิงแท้แน่นอนบัญญัติเรียกว่าพรห ม, มันบ้างบัญญัติเรียกว่าพระเจ้าบ้างหรือก็แล้วแต่จะเรียกเพระาะฉะนั้นพวกนี้ก็มาเป็นศาสนาต่างๆท่านที่เป็นศาสดาท่านรู้ของท่านอย่างนั้นจริงๆท่านเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆแต่อย่าลืมว่าเป็นความรู้ที่ถูกจํากัดไว้ในจุดหนึ่งแล้วท่านก็มาสรุปโครมลงไปเช่นนั้น สาขาที่สองได้แก่บุคคลที่จุติมาจากเทวดาที่มัวเมาในการเล่นการรื่นเริงเกินเวลาข้าในชาตินี้มาบำเพ็ญเพียรดังกล่าวแล้วก็ปฏิบัติระลึกชาติได้ระลึกชาติที่ตนเกิดเป็นเทวดาพวกนั้นได้แต่ระลึกเลยไปจากชาติที่เป็นเทวดาไม่ได้ในที่สุดก็ลงมติว่าพวกเทวดาที่ไม่มัวเมาในการเล่นการรื่นเริ ง, รงจนเกินเวลาเป็นพวกที่เที่ย ง, งแท้ถาวร นตนเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ทาวรเมียอายุน้อยจึงต้องมีการจุดิอย่างนี้ซึ่งหมายความว่าท่านระลึกได้ถึงเทวดาที่อยู่ร่วมยุค ก, กับท่านแต่ไม่เพลิดเพลินในการมกุดมากเกินไปและยังดำรงชีวิตอยู่แต่ตัวท่านต้องจุดิมาและท่านก็เข้าใจว่า การที่ท่านต้องจุติประเพิดเพลิดในการมคุณคส่วนพวกที่ไม่เพลิดเพลินในการมมุรก็ไม่ต้องจุติเลยกลายเป็นภาวะที่เทียงแท้แน่นอนไปกลุ่มที่สนั้นจุติจากเทวดาเหมือนกันแต่ก็มีจิตคิดไรยต่อกันครั้นได้บำเพ็ญเพียรจนถึงระลึกชาติได้ว่าตนได้เกิดเป็นเทวดาพวกนั้นแต่ลึกเลยไปจากชาตินั้นไม่ได้เหมือนกันจึงคิดว่าเทวดาที่มีจิตคิดประทุษร้าย ที่มีจิตไม่คิดประทุษร้ายต่อกันนั้นเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ถ้ามีจิตคิดประทุษร้ายกันก็จะกลายเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้แล้วก็มีอายุน้อยแล้วก็ต้องจุดจิตยังพวกตัวเองนี่ก็เป็นความรู้ที่จำกัดเช่นเดียวกันแต่ก็เปลี่ยนเท่านั้นเองพู้แรกก็เปลี่ยนกรมกุณ2ก็เปลี่ยนเป็นริสาริษยาพยาบาทสาขาที่4นั้น ก็เป็นนักจึกนึกคือนึกเดาเอาแล้วก็ลงความเห็นว่าธรรมชาติที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอัตตาที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถาวรมีความแปรผันไปธรรมดาส่วนธรรมชาติที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณหรืออัตตาอัตมันนี้เที่ยงแท้ไม่แปรผันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งคื อ, อ, อถือว่าในส่วนรูปกายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ แต่ส่วนนามนามกายคือจิตหรือวิญญาณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนนี้ก็เป็นกลุ่มพวกสัตสตทิจิเหมือนกันแต่ก็แตกออกไปอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเรียกว่าอันตานันติกะทิจิคือมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างก็เกิดมาแยกเป็นสีสาขาเหมือนกันสาขาที่หนึ่ง เกิดขึ้นจากสมณพราหมณ์ที่มีความเพียรพยายามดังกล่าวแล้วมีจิตสงบตั้งมั่นพอสมควรนเลงเห็นว่าโลกนี้เป็นวงกลมที่มีที่สุดนั่นก็มองโลกในแง่ที่เป็นโอกาสโลกคือดวงดาวผู้หนึ่งก็เล็งเห็นว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดถึงก็แล้วแต่จะมองคือหมุนกันไปไเรื่อย พวกหนึ่งก็มองเห็นว่ามีที่สุดพวกหนึ่งก็มองเห็นว่าไม่มีที่สุดอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดแต่ด้านขวางไม่มีที่สุดสาขาที่สี่นั้นเป็นนักนึกเดาเหมือนกันเพราะงั้นท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าที่ท่านแบ่งเป็นกลุ่มเป็นสีเ่เป็นสาขาสาขาอย่างนี้สามกลุ่มแรกนั้นจะเกิดขึ้นจากความรู้ที่จํากัด แต่ก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านพูดไปตามที่ท่านเห็นจริงๆส่วนกลุ่มที่4จะเป็นนักเดาอยู่ตลอดทุกกลุ่มของความคิดเหล่านี้กลุ่มที่หมวดที่4นั้นเรียกว่าอมารา ว, วิเคปิกาทิฐิคือสัต์สายเหมือนกับปาลาไหลหาข้อยุติไม่ได้ซึ่งเป็นความคิดของท่านสัญชัยเวรัตบุตรกัท่านหนึ่งแหละในสมัยพุทธกาล หรือท่านพูดจนฟังไม่รู้เรื่องเช่นท่านบอกว่าจะว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าใช่ก็ไม่เชิงจะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงหาไม่ได้เนื่องจากไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้นก็ว่างกันไปเรื่อยแม้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรือท่านพูดจนฟังไม่รู้เรื่องพวนี้ก็มีอยู่เป็นสีสาขาเหมือนกันสาขาแรกพราะครัวจะเป็นการกล่าวเท็จ จึงไม่กล้าจะพยากรว่านี้เป็นกุศลหรือวันนี้เป็นอกุศลเพราะตนไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลอีกพกลุ่ ม, มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพรากกลัวจะเป็นความยึดมั่นก็ไม่กล้าพยากรณ์ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่รู้จริงเหมือนกันสาขาที่สามกลัวจะถูกนักปราชรซักซไซไล่เรียงและกลัวว่าตัวเองจะตอบไปได้ก็เลยก็ไม่กล้าพยากรณ์เพราะตัวเองก็ไม่รู้จริง ประกลุ่มที่4นั้นเพราะโง่เขาหลงงมงายไม่กล้าพยากรณ์ว่าโลกหน้ามีโลกหน้าไม่มีเป็นต้นเพราะตนเองก็ไม่รู้อะไรหมวดที่5เรียกว่าอาทิตยจะสมุปันนธิกาทิฏฐิคือมีความเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุทรงกันข้ามกับกฎของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงศัสรุปเาพวกนี้แยกตัวเองออกเป็นสองสาขาด้วยกัน กลุ่มแรกนั้นจุติมาจากอสัญญีสัตว์ที่เราเรียกว่าพรหมลูกฟักนะฮะเสร็จแล้วก็ได้ออกบวชบําเพ็ญเพียรจนบรรลุระลึกชาติได้เหมือนกันระลึกได้ถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญาที่ทำให้จุติจากพรหมโลกนั้นเท่านั้นคือหมายความว่าพวกนี้เป็นเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาเป็นเป็นเป็นวัตถุลอย แล้วก่อนจ ะ, ะหมดกําลังของฌานที่ทําให้ท่านเกิดเป็นสัญญาศัตว์เนี่ยจะมีสัญญาผุดขึ้นมาแล้วท่านก็ร ะ, ะลึกตัวสัญญาตัว น, นั้นได้แล้วก็ทําให้ท่านมาจุติเพราะนั้นท่านก็เข้าใจว่าอัตมันหรืออัตตาเนี่ยได้โลคเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพราะท่านระลึกได้เฉพาะจุดนั้นไอจุดที่เลยไปจากนั้นระลึกไม่ได้สาขาที่สอง ก็เป็นนักตึกนึกดาวเอาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วพวกหมวดที่6นี้เรียกว่าสัญญีวัฏทิฏฐิคือมีความเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนเนี่ยไม่เสื่อมสลายเมื่อตายแล้วยังมีสัญญาแยกออกเป็น16สาขาด้วยกันเกล่าวโดยสรุปว่ามีรูปไม่มีรูปมีรูปและไม่มีรูปมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่มีที่สุดไม่มีที่สุดมีที่สุดและไม่มีที่สุด เออความแตกต่างในลักษณะนี้เป็นความแตกต่างกันคนละนิดแต่ว่าที่จริงพวกก็คนละกลุ่ม เ, ออเรื่องของทิฐิเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นระบบปริญาที่จะต้องหาความเข้าใจกันในแต่ละข้อหรือถึงพื้นฐานของความคิดของนักคิดเหล่านั้นว่ามีต้นตอความคิดมาจากอะไรมีอะไรเป็นมูลเหตุตท่านคิดเช่นนั้นท่านแสดงความเห็นออกมาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้จะสังเกตว่า คือพูดจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเจริมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่เชิงคือมีความเห็นว่าอัตตาเนี่ยมีสัญญาอย่างเดียวอัตตามีสัญญาต่างๆอัตตามีสัญญาน้อยอัตตามีสัญญามากม่มีประมาณอัตตามีสุขอย่างเดียวมีทุกอย่างเดียวมีทั้งสุขทั้งทุกข์หรือไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์นี้ก็กลุ่มหนึ่งเป็น16สาขาด้วยกัน ู้เรื่องสัญญาอย่างเดียวกันคือไม่ใช่เข้าใจเรื่องอัตตากับสัญญาอย่างเดียวกันสัญญาที่แปลความจาอะแต่ว่าก็ย่อยออกไปแล้วก็วไม่ไม่ลงกันก็เลยจะกลายเป็นทิฏฐิอีกสีก่หกประเภทด้วยกันกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสัญญาว่าทัศทิฏฐิคือมีความเห็นว่าอัตตาเสื่อมสลายเมื่อตายแล้วไม่มีสัญญาพวกนี้ก็แยกออกเป็นแดสาขา คือมีความเห็นว่าอัตตามีรูปไม่มีรูปมีรูปแล้วไม่มีรูปมีรูปก็ไม่ใช่มีรูปก็ไม่เชิงมีที่สุดไม่มีที่สุดมีที่สุดแล้วไม่มีที่สุดมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่เชิงทั้งนี้ตายแล้วไม่มีสัญญาทางนั้นคือสรุปว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วไม่มีสัญญาหมวดที่แปดนั้นคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จริงๆมันก็เป็นชื่อของ อรูปิชานที่4นะคือมีความเห็นว่าอัตตาไม่เสื่อมสลายเมื่อตายแล้วจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงพวกนี้ก็แยกออกเป็น8สาขาเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วต่างกันแต่เพียงว่าพวกนี้ถือว่าเมื่อตายแล้วไม่มีสัญญาพวกก่อน ถือว่าเมื่อตายแล้วไม่มีสัญญาพวกนี้ถือว่าเมื่อตายแล้วจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เธรรมนองที่อุปมาณนั้นก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับ น, น้ําในแก้วน้ําจิตแก้วน้ําเปียกแก้วคือเราถือว่าจะมีน้ําก็ได้แต่ถ้าจะถือว่าไม่มีน้ําก็ได้ที่ถือว่ามีน้ำเพราะแก้วมันเปียกถือว่าไม่มีน้ําเพราะมันดื่มไม่ได้อแนวความคิดลักษณะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนี่คือกลุ่มหนึ่งนะค อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นพวกอุจเฉตทิฏฐิคือถือกันว่าขาดศูนย์คราวนี้ท่านผู้ฟังได้โปรดเข้าใจว่าทิฏฐิที่เกี่ยวกับสังสาราวัฏนั้นมันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของสัตสตตทิฏฐิที่เห็นว่าเที่ยงมันก็มีย่อยตัวเองออกไปวิจิตพิสดารอย่าที่ว่ามาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนั้นถือว่าขาดศูนย์ไปเลยเกิดคออนเดียวตายคนเดียว ย, ย, ย, ย, ย่างสำนวนที่พูดกัน ไอ้พวกขาดศูนย์มันก็มองกันหลายแง่หลายมุมซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพวกเหล่านี้นั้นกลุ่มหนึ่งเกิดจากความรู้จํากัดกลุ่มหนึ่งนึกจากเกิดจากคาดเดาคาดเนเอาเป็นนักเดาแต่ว่าคนเชื่อมันก็เผยแพร่ก็มีทุกศิษย์กัวหาให้การยอมรับนักถือตั้งตนเป็นกณาจารย์เขาได้เหมือนกันเพราะโลกมนุษย์เรานั้นคือไอ้คนจะบ้าบ้าบวมบว ม, บวมไม่เต็มเต็งยังไงก็ อยู่ได้จะมีคนกลุ่มหนึ่งไปนับถือคนกลุ่มนั้นถึงว่ากันตามความเป็นจริงอย่างคณาจารย์สมัยพระพุทธเจ้าคนที่เห็นได้ ง, ง่ายที่สุดเนี่ยคือท่านสัญชัยท่านมีความเห็นไม่ไม่เป็นรูปเป็นเรื่องแล้วท่านปกธธากฏทักาจายนะอาชิตเกสกรรมพลปุรณากสปะเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตามความเห็นของท่าน ไม่มีแดข้าวราเข้าวพงไปแต่ว่าพวกวัตถุนิยมจัดพวกที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์สืบสาวในเชิงเหตุเชิงผลก็ตัดสินกันเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้ามันก็เชื่อถือแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามีคนนับถือตั้งตัวเป็นคณาจารย์ความคิดความอ่านของท่านเหล่านี้ก็ยังศึกษากันมาจนถึงในปัจจุบันที่ เราเรียกในสมัยใหม่ว่าพวกจัตสรรค์คือศาสนาหกประเภทซึ่งเป็นระบบประจาที่เขาศึกษาธรรมกันจนถึงปัญญาเอกในประเทศอินเดียเป็นปัะญาอินเดียแลวแนวความคิดเหล่านี้ก็ยังนา ม, มาศึกษากันอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่มีสาระอะไรเลยบางตอนแต่ก็ถือว่าเป็นร่องรอยของความคิด แล้วก็นําไปสู่ความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยลําดับซึ่งถ้ามาเทียบเคียงกับประสัพพันยุตยานแล้วประสัพพันยุตยานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการท ะ, ทะลุตลอดสายที่เราเรียกว่ามีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่นในการระลึกชาติพระพุทธเจ้ากระลึกจนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นเมื่อเมื่อมองไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันก็จะเห็นความแตกต่าง เพราะคนเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมพระพุทธเจ้าจึงไปเน้นเรื่องกรรมไอ้จะถือว่าคนเราตายแล้วเกิดเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์มันก็ว่าลงไปไม่ได้เราต้องขึ้นอยู่กับกรรมอะ่ะเพราะคนนั้นไม่รู้ทํากรรมอะไรเอาไว้เรื่องกรรมจึงมีการจําแนกละเอียดออกไปอีกเช่นว่าเราอาจจะทํากรรมอย่างหนึ่งในขณะหนึ่ง แต่ว่าเวลาตายนั้นใจเป็นเหนียวนึกกรรมอีกอย่างหนึ่งมือนก็เราขับรถมาถูกตั้งรอ้อหลายร้อยกิโลแล้วพอเกิดทางแยกเลี้ยวผิดมันก็ผิดตรงนั้นเออซึ่งจะเอาไว้ที่ถูกไปหักกรบลบนี่มันก็ไม่ได้ผิดก็ผิดถูกก็ถูกมันก็คนละขั้นละตอนกันส่วนถูกก็นํามาถูกแล้วแต่ส่วนผิดมันก็ต้องแยกไปอีกคีหนึ่งแต่นั้นจึงทรงแสดงในส่วนของสังสารวัตร จึงไม่พูดว่าเป็นเชี่ยงหรือว่าขาดสนย์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสกับกรรมที่นำพาสัตว์ไปสู่สังสารวัฏก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกันในลักษณะต่างๆทิฏฐิทั้งสองประเภทนี้พระพุทธศาสนาจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงแต่ก็ไม่ถึงกับ ห้ามสวรรค์เพอความคิดความอ่านบางอย่างของท่านก็เข้าทีคือพอฟังได้แต่ห้ามนิพพานคือถ้ามีความคิดเห็นในแนวนี้อยู่แล้วก็ไปสู่นิพพานไม่ได้เลกลุ่มต่อไปเรียกว่าเป็นหมวดที่เก้าเรียกว่าอุเฉติทิชิคือความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วศูนย์คือไม่เกิดอีกพวกนี้ก็แยกออกเป็น กลุ่มแรกนี่แยกออกเป็น7สาขาด้วยกันสาขาที่1มีความเห็นว่าอัตตาคือตัวตนเนี่ยที่มีรูปประกอบโดยธาตุสีกระดีน้ำหลงไฟเกิดขึ้นประมาณดาบิดาเมื่อตายแล้วก็ศูนที่สํานวจผู้กันในสมัยนั้นว่ามีขี้เถ้าเป็นที่สุดตายแล้วกันแล้วกันไปสาขาที่สองมีความเห็นว่าอัตตาอื่นที่เป็นชิปคือมีรูป เป็นกามาวจรคือหมายถึงพวกเทวดาเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ศูนพวกนี้ไปยืนยันกลุ่มเดียวเนี่ยยืนยันเฉพาะกลุ่มของเทวดาว่าตายแล้วก็ศูนย์ไปเพราะตามที่ท่านแสดงไว้นั้น เ, เทวดาเมื่อเมื่อตายปั๊บเนี่ยไม่ทิ้งร่างคือจะไม่มีซากไปต้องทำชาปนิกิจศพอะไรอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่ไปเห็นเช่นนั้นก็ถือว่าศูนย์ไปหมดเพราะไม่เห็นอะไรเหลือเลย พวกที่สามนั้นจะมีความเห็นว่าอัตตาอื่นที่เป็นที่มีรูปสำเร็จด้วยใจคือมีใจที่ประกอบด้วยยานเมียวะใหญ่น้อยครบทุกอย่างคือได้แก่รูปประพรมพรหมที่มีรูปซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดสิบหกชั้นด้วยกันสิบกระดับด้วยกันบินสี่บริบูรณ์เมื่อตายเลืศูนย์พวกนี้ก็เรียนมาจากพรหมแล้วก็ เข้าใจว่าพรหมนั้นพอจุติจากพรหมก็สูญเพราะไม่เห็นเกิดไปเป็นพรหมเนื่องจากคนเราต้องเป็นไปตามกรรมอย่างที่กล่าวแล้วจริงๆท่านก็มีความรู้อะไรข้าวทีก็ทีอยู่แนหะแต่ประเด็นสําคัญอย่างที่บอกมาแล้วว่าเป็นการมองไม่ตลอดกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นก็มันเหมือนกับคนเราไปเจอคนคนหนึ่งข้าวแล้วก็ลงมติว่าคนนี้เป็นคนดีเหลือเกิน คือเราพูดเฉพาะกับที่เราเห็นเท่านั้นเองแต่ถท้จริงแล้วชีวิตเขาไม่ได้มีเฉพาะช่วงนั้นมันมีทั้งช่วงที่ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีและช่วงที่จะมีต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงไปยืนยันไม่ได้แต่ถ้ายืนยันได้ก็ยืนยันเฉพาะการละนะวันนั้นเขาพูดดีเหลือเกินก็ เ, เฉพาะวันนั้นแต่วันอื่นไม่รู้คือที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี อาจจะมีบิดีดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งเป็นการพูดตามสมควรแก่กรณีไปแล้วเราก็ยืนยันได้แต่ถ้ายืนยันตลอดมันก็ยืนไม่ได้แม้แต่ช่วงสั้นๆช่วงแคบๆไม่ต้องไปมองในแง่สังสารวัฏที่ผ่านพบชาติมาเป็นม่ร้ส ก, กีโกฎกับอย่างนี้กลุ่มหนึ่งก็มีความเห็นว่า พวกที่บรรลุฌานนะฮะเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพวกบรรลุรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะฮะก็สรุปแล้วก็เป็นเจ็ดสาขาคือนับจากสี่ห้าหกเจ็ดนี้ถือว่าตายแล้วก็สูญหมดซึ่งตามหลักที่ตามพระพุทธศาสนาแสดงไว้นั้นท่านเหล่านี้สาขาที่หนึ่งที่ว่า คนเราหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดมาจากมารดาปิดาตายแล้วก็เป็นไปตามกรรมคือสาปได้ที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่ก็เป็นไปตามกรรมแม่พวกสวรรค์พวกเทวดาชั้นกามาผจญนะั่งหกชั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสาปได้ที่ยังไม่บรรลุอรหรัตการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีอยู่ส่วนพรหมนั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าชั้นท่านเสื่อมหมดแล้วอย่าง ถ้าวาฌาท่านไม่เสื่อมท่านจุติเป็นพรมต่อท่านปฏิสนธิเป็นพรมต่อแต่ถ้าหากว่าชานเสื่อมก็อาจจะตกนรกก็ได้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้ก็แล้วแต่ว่ากรรมอะไรมาทําหน้าที่ไปถือปฏิสนธิที่เราเรียกว่าอาสัญกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายาความเห็นทั้งเจ็ดสาขานี้ ก็ถือว่ากามาวจรนะฮะสัตว์ที่เป็นกามาวจรซึ่งโดยรายละเอียดมันก็มี11เอพวกด้วยกันคืออบาย4มนุษย์1สวรรค์6กอรูปาวจรสัตว์ก็ได้แก่พรหมโลก16แล้วก็อรูปาวจรสัตว์ไ แ, แก่พวกอรูปพระพรม4เมื่อตายแล้วก็ศูนย์เหมือนกันหมดนี้กลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งนั้นก็เป็นการบัญญัตินิพพานกันในปัจจุบันซึ่งท่านผู้ฟังได้โปรดเข้าใจว่านิพพานเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาเก่าภาษาที่เขาเข้าใจกันเรียกกันในสมัยนั้นเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ดับกิเลส ด, ดับทุกข์ซึ่งก็มีเป็นชั้นๆแล้วแต่ใครจะคิดไปว่ า, าทำยังไงเป็นการดับทุกข์ได้ แล้วก็บัญญัติสิ่งเหล่านั้นว่านิพานนิพานบางทีมันก็เฉยๆดีเป็นกันสมบับความเห็นของพวกในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมะนิพานะทิจิตคือมีความเห็นว่าปณิพานอยู่ในชาติปัจจุบันนี้คนกลุ่มหนึ่งนั้นปัจจุบันก็ยังนํามาศึกษากันเราเรียกว่าจารวะผูครูทั้งหกในสมัยนั้นก็คือพวกของกลุ่มท่านอาิตย์เกษกรรมพลกระท่าน ปกุฏกัจจายณนะความเห็นแนวนี้ที่พระพุทธเจ้าเคยตำหนิว่าความเห็นของพวกนี้เหมือนกับผ้ากําพลที่ทําด้วยผมคนมันใช่อะไรไม่ได้เลยเ อ, อกลิ่นก็เหม็นสาบระดูร้อนยิ่งร้อนระดูหนาวยิ่งหนาวระดูฝนอุ้มฝนโดยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สะระดูหนึ่ง ความเห็นของกลุ่มแรกที่ถือว่านิพานในปัจจุบันเนี่ยคือมีความเห็นว่ากามคุณห้าเนี่ยใครได้รูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องมากๆแล้วก็ถือว่านิพานนิพานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจากแนวความคิดเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นว่าพวกกลุ่มเนี่ยกลุ่มก็อินเดียเลยอินเดียไปแถวตะวันออกกลางเนี่ยมีฮาร์เรม มีพวกศุนละตานมีอะไรตัวไรพวกผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะถือว่านิพานในปัจจุบันแล้วจนถึงกับเวลาทธิบายเทวดาแบบพรามก็จะมีเทพประบุองค์เดียวเทพธิดาเป็นต้องห้าร้อยตั้งพันหรือตั้งมืนแล้วพาอะไรหนังสือในยุคหลังที่พูดเรื่องประสีอ่าน บอกว่าประสีอ่านนั้นมีเทพธิดาเป็นบริวาร4โกดกสีทีคือล้อมอยู่ด้านละสโกดโอ้ยไม่รู้เท่าไหร่40สนะฮะสีโกดก็คือ40สล้านตกลงว่าร6 0สล้านไม่รู้เอาไปอยู่คนกันอยู่ก็ได้ยังไงอันนี้ก็เกิดมาจากแนวความคิดที่อะไรล่ะคือต้องการให้มีการมาคุณมาก คือรูปเสียงกลิ่นรสที่ประณีตมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นนิพพานเสร็จแล้วเกิดมาชาติเดียวกัตายชาติเดียวือจะหาความสุขกันในด้านเนื่อหนังมังสามีพวกวัตถุนิยมจัดพวกนี้หากินได้ตลอดลวในยุคใดสมัยใดก็ตามแนวความคิดประเภทวัตถุนิยมนั้นจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยแม้ในยุคปัจจุบันนี้พวกกลุ่มที่หนึ่งก็ถือว่า ได้บรรลุปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาบรรลุปฐมฌานก็เป็นนิพพานแล้วพวกอีกกลุ่มที่สามก็ถือว่าบรรลุทุติยฌานซึ่งมีอารมณ์สามได้เก็บปิติสุขกับเอกคตาก็เป็นนิพพานแล้วกลุ่มที่สีก็คือถือว่า บรรลุตัติยฌานกลุ่มที่5ก็บรรลุจตุตธฌานคือสรุปวระพวกนี้บัญญัติว่ารูปฌานนะรรูปฌานซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรได้ตั้งแต่ศึกษาในสำนักของอาลาดาบทพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้สี่นะฮะได้เจสำนักอาลาดาบทได้7ชั้นไปต่อสำนักอุตกรดาบท ได้อีกเป็น8ชั้นก็เรียกสมาบัตแปดหมายถึงว่ารูปฌานสี่รูปฌาน4ี่กิเลสสงบเงียบออถ้าไมา่กระแทกมาจากข้างนอกแรงแรงให้สาหัสากันจริงๆแล้วก็จะไม่กำเริบขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นราคะโลภโทสะอย่างที่เคยเล่าถึงเรื่องพระเถระสอ ง, ององค์ที่ท่านได้ฌานเนี่ยท่านเจริญฌานของท่านเรื่อย แล้วก็ท่านได้อภิญญาที่เป็นโลกิยะด้วยท่านก็เข้าใจว่าท่านบารรลุอรหัตเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มากระทบนั้นท่านไม่ยินดียินร้ายเลยเพราะท่านจเจริญฌานไปด้วยกิเลสส ง, งบอย่างที่บอกบ่อยๆเรื่องของฌานมันเป็นวิขำปะณะวิมุตติคือจิตหลุดพ้นด้วยองค์ของฌานนั้นไปกดกิเลสเอาไว้แต่กิเลสจะไม่ปรากฏมันมีลักษณะเหมือนเอาศิลาไปวางทับหญ้าเอาไว้ เพราะงั้นเวลาท่านจะเห็นรูปฟังเสียงดงกิ่นลิ่มรส ถ, ถูกต้องผลิตภาณซึ่งเป็นธรรมดาสามัญโ ท, ทั่วไปเนี่ยท่านก็เฉยๆไม่ยินดียินร้ายก็สักแต่วรูปสักแต่ว่าเสียงไปเท่านั้นเองพระเถระรูปหนึ่งเป็นพระหันชื่อระธรรมทินาท่านรู้ต้องการจะช่วยเหลือให้ท่านเดินให้มันตลอดสายไปไม่ได้ไปหยุดอย่างนั้นท่านก็ไป บอกให้ท่านชายริดชายริดองค์หนึ่งนั้นให้ชายริดออกมาเป็นช้างคือนิรมิตเป็นช้างนิรมิตได้ในมีได้ช้างขึ้นมาเดินไปเดินมากระทําได้นิรมิตได้ช้างไอช้างพุ่งข้าทงท่านอ่ะพอช้างพุ่งข้าท่านตกใจอ๋อยังมีกิเลสลยอยู่เลยรู้อีกอง์หนึ่งนั้นให้นิรมิตเป็นภาพผู้หญิงสวย แต่ทั้งก็เฉยยี่งมิคือบาคนก็เฉยสองคนก็เฉยสามคนก็เฉยถึงเจ็ดคนยังเฉยอยู่ลเลยตอนนี้มิได้ไร้ ร, รำพอไร้รำไปพักเดียวท่านั้นเองหลวงพ่อกิเลสส ง, งบหยุดนานนะมันขึ้นมันเลยรู้ตัวว่าเอออันนี้มันเป็นวิขัมพะณะวิมุตติตอนงั้นพวกเหล่านี้พระพุทธเจ้า ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งก็บรรลุมานานแล้วแต่ว่าท่านเหล่านั้นคือท่านที่ไปบัญญตัติความเห็นอย่างเนี้เราจะตำหนิท่านไม่ได้เพราะมันสงบจริงๆแล้วจิตใจก็ไม่กำเริบไปตามหน้าของอารมณ์จริงๆเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าอยากกระแทกแรงๆก็แล้วกันท่านก็นบัญญัติไว้อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านมุ่ ง, งการศัจสรู เพราะงั้นท่านจะต้องใช้ปัญญาตลอดวิเคราะห์ตลอดเลยสืสบทอดดูส่วนลึกของจิตใจเห็นกิเลสมันสงบอยู่ข้างล่างประศอมหาอาจารย์ว่าหมดเลยยังบอกหมดแล้วหมดแล้วก็สรงวินิจฉัยได้ทันทีไม่ใช่ทานแต่ว่าพระพุทธศาสนาเรียกว่าพวกนี้เป็นทิฏฐธรรมสุขกวิหารคือช่วยอยู่เป็นสุขในชีวิตปัจจุบัน แล้วก็ตายแล้วก็เป็นเกิดเป็นพรหมมีกติที่เที่ยงแท้นนะฮะนอกจากชา้นเสื่อมคือถ้าชันไม่เสื่อมแล้วจะเกิดเป็นพรหมส่วนพรหมในชั้นไหนมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดของชา้นอีกทีนในที่สุดก็เรารวมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นทิฏฐิหกสิบสองสาขาด้วยกัน่เรามักพูดกันถึงทิฏฐิหกสิบสอง พระบูมีระภาคเจ้าทรงแสดงทิฏฐิหกิบสจบลงแล้วนอาโน์เทระก็กราบทูลว่าน่าสจัจจริงไม่เคยมีมันเลยทำบรรยายนี้มีชื่ออย่างไรไปเจ้าข้าพระบูมีระภาคตรัสว่าอานน์เธอจงจำทำบรรยายนี้ว่าชื่อว่าอัตชาระประทานว่าบริบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ชือธรรมชาละประาท ว, ว่าบริบูรณ์ด้วยข้อธรรมที่เป็นหลักซึ่งควรปฏิบัติชื่อว่าพรหมชาละประาณ ว, ว่าบริบูรณ์ด้วยสัพพัญญุตยานอันปรื่อยที่ทรงจำแนกว่ดีแล้วชื่อว่าทิฏฐิชาละประาท ว, ว่ามีทิฏฐิหกสที่ทรงแสดงไว้แล้วเพื่อป้องกันสัตว์ไม่ให้ตกไปสู่มิจฉาปฏิบัติคือมันเสียวเซียงเอ๊ะ ยงเฉียงเสียงนะฮะมันมีความเสี่ยงมากความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เพี้ยนไปนิดๆหน่อยๆแต่นั่นคือเป็นมิจฉาเป็นความผิดถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอย่างที่ทรงแสดงว่าอย่ดมิ่นประบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมันเหมือนกับหยาดฝนที่ตกลงทีในติก็สามารถทำพราชนะที่รองรับให้เต็มได้เพราะงั้นความเห็นถ้ามันเริ่มผิด เดี๋วคนเราพอเห็นผิดมาคิดผิดประคิดผิดพูดผิดพูดผิดทำผิดมันเดินผิดไปเป็นแถวไปและทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเสรสังคารมวิชัยเพราะบริบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สามารถย่ำยีมารทั้งห้าเสียได้โดยสิ้นเชิงครั้นพระพุมีพระภาคสัตว์ประสูตินี้จบลงแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็มีใจเบิกบานยินดีเพลิดเพลินต่อพระพุทธภาสิท แเมื่อพระองค์จัดบริจากรภาษีนี้จบลงหมืนโลกาธาตุก็หวั่นไหวนี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในพรมชาสารสูตรประเด็นที่สำคัญในพรมชาสารสูตรมันก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นแรกก็คือคนที่ยกย่องสรรเสริญพระรัตนตรัยนั้นมันมีเป็นธรรมดาในฐานะของพุทธศาสนิกชนเมื่อได้ยินคำดาว่า ก็อย่าโกรธเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธมันทำให้หยุดในการปฏิบัติที่ทรงใช้คำว่าจะเป็นอันตรายไหมความบ่าหรือถ้าความโกรธได้แก่พยาบาทนิบอนยังมีอยู่มันก็บรรลุบรรลุฌานไม่ได้หรือว่าจะดีใจดีใจก็คือเตณพิชาเป็นความอยากความเพลิดเพลินความโสมนัสใจมันก็ไม่สงบเหมือนกันคือฟูขึ้นก็เดินไม่ได้พุ่ลงมันก็เดินไม่ได้ ในกรณีที่เขายกจ้องถ้าเป็นคุณสมบัติที่เรามีอยู่จริงมันก็มีอยู่จริงแล้วก็ก็ไม่เห็นจําเป็นอะไรจะต้องไปดีอกดีใจแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเขากล่าวอะไรผิดเราต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจแล้วถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยก็เลิกพูดคือไม่ต้องพูดซึ่งในกรณีนี้ต้องแยกให้ออกว่าประเด็นเหล่านั้นเป็นเรื่องของอะไรอย่างเช่น ที่เคยเล่าเรื่องนางมาคันดิยาจ้างคนให้ดา่าพระพุทธเจ้าไอ้ลาไอ้อูดไอ้คนโง่ไอสัตว์นรกอะไรทั้รนี้คือมันไม่มีอะไรอยู่ในเราเลยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโต้อตอบอะไรนั่นคือกลุ่มนั้นแต่ทีนี้บางครั้งนั้นเป็นการใส่คลายบิดเบือนซึ่งเคยยกตัวอย่างในประสู์ไปหลายแห่งอันนี้ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ เพราะทาไมงั้นจะลามปามกันไปใหญ่เช่นในมหาศีลนาเิสุตรที่สุนักตะลิชวีปล่อยกล่าวดูหมิ่นพระธรรมและพระพุทธเจ้าในกรุงไัยสาลีพระเจ้าก็ต้องชี้แจงเลยมอนี้ทีนี้อีกประการหนึ่งนั้น เ, เรื่องจุลศีลมหาศีลมชิมศีลท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินว่า มีสำนักบางสำนักที่แยกตัวออกไปจากคณะสงฆ์ไปประกาศปฏิบัติตามจุนศีลมาศีลมัจจิมศีลในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงในข้อปฏิบัตินะฮะเพราะนี้อยู่ในพระสูตรตันตปิฎกไม่ได้อยู่ในพระวินัยปิฎกแต่เป็นการแสดงว่าคนอื่นเมื่อพูดถึงพระองค์ก็จะกล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นอย่า ง, งานั้นพระสมณะโคดมเป็นอย่า ง, งานั้นพระสมณะโคดมเป็นอย่า ง, งานั้นเมื่อก็รู้ตื้น แต่ถ้าในแง่ของพระวินัยแล้วจะไม่จัดเรียงอย่างนี้เพราะว่าศีลประเภทนี้จะกระจายอยู่ในที่ต่างๆเรื่องจากโทษไม่ในเหมือนกันเว่าการฆ่า ส, าสาัตว์ต้องก็มีหลายชนิดอะฆ่ามนุษย์อะเป็นเปรตเป็นผีเช็นพระปราบผีอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสัตว์ิรชานะแล้วก็แตกต่างกันออกไปคือจะให้โทษเท่ากันมันก็ไม่ได้ ปรสัตไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเรื่องของวินยัยแต่นี้คนบางกลุ่มก็เอามาเชิดชูว่าตัวเองได้ปฏิบัติตามจุนศีลมาศีลมาชิมศีนที่จริงไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นพระทั่วไปก็ปฏิบัติไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแต่จะปฏิบัติในฐานะอีกอย่างหนึ่งคือจะอยู่ในวินยัยอยู่ในพระวินัยบิดกที่กําหนดโทษไว้อย่าลืมว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอานาเทศนา ถ้านาเทศนานี้มีบทลงโทษมีบทตำหนิไว้เสร็จนั้นจะอยู่ในพระวินัยบิดกเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดส่วนที่สองนั้นเป็นโมหาและเทศนาจากพระใจบิดกเล่มที่เก้าถึงเล่มที่สามสิบสองสาสิบสาม นี่เรียกว่าเป็นโบหารและเทศนาคือเป็นมากโบหารหลากหลายด้วยอุบายวิธีในการจะชี้แจงให้คนเกิดความเข้าใจและยะถาประลาตศาสตร์เป็นการแสดงปรมัถ ธ, ธรรมถึงว่าจริงในประสูตร์มันก็มียะแต่ก็ไปไปมากอยู่ที่อภิธรมธรมอภิโดกซึ่งจากเล่มที่34ถึง45เก 12, เล่มเอ่อ อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิดังกล่าวนั้นดังกล่าวนี้เป็นระบบปรัชญาที่ยังมีการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเม้าก็พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสังสารวัฏคือเน้นสังสารวัฏกลุ่มหนึ่งนั้นถือว่ามีความเที่ยง เที่ยงหมดหรือเที่ยงบางสิ่งอะไรก็ว่าในรายละเอียดแต่แสดงว่ามีสังสารวัตรคือมีการหมุนเกิดกันไปเรื่อยๆเพราะวความเห็นประเภทนี้จึงไม่ถึงกับห้ามมรรคผลไม่ใช่ไม่ถึงกับห้ามสวรรค์นเนื่องจากท่านต้องรู้ว่าทํำยังไงถึงจะเที่ยงแท้อยู่ได้ท่านก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมคือทํากรรมดีก็บางกลุ่มท่านก็ต้องทํากรรมดีบางกลุ่มก็ ก็ไม่เลยเพอถือว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากจะเป็นเกิดมาจากความรู้ที่จำกัดอย่างที่ท่านบอกปรกนกบเกิดอยู่ในสะจ่อยรู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกนกบเกิดอยู่ในสะจอยไปเห็นเฉลี่ยไกลกลางสมุทรคิดว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเตอเมันก็ตัดสินกันเฉพาะสระ แต่ไม่นึกว่าไอ้ที่ใยา่กวาศัตร์นั้นมีใหญ่ส่วนกลุ่มนักดาวนั้นก็แน่นอนเหลือเกินแล้วก็พูดเรื่อยไปวันก่อนนี้ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ก็มาเล่าออฟังาอาจารย์ผู้หนึ่งอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสสนาในแนวรัฐศาสคล้ายๆกับศาสน า, นน า, สนาเป็นเครื่องมือให่การปกครองอพูดไปพูดมาปรากฏว่าอาจารย์ผู้นี้ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก ก็ดีเหมือนกันคือเดาได้พูดได้พูดเรื่อยเๆไปคือถ้าเราจะพูดกันแน่ว่าอะไรเป็นเครื่องมือในการปกครองทุกระบบนั้นเป็นเครื่องมือในการปกครองได้ทั้งนั้นแหละคือครอบครัวที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีโรงเรียนที่สอนนักเรียนให้เป็นเด็กที่ดีมันก็เป็นเครื่องมือในการปกครอง แต่ว่าเขาใช้ไปในทํานองคล้ายๆกับสถาบันศาสนานั้นรับใช้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นการช่วยกันรับผิดชอบประชากรภายในชาติศาสนาก็ทํางานส่วนศาสนาครอบครัวก็ทําส่วนครอบครัวโ ร, รงเรียนก็ทำส่วนครอบครัวโรงเรียนราชการก็ปฏิบัติไปในส่วนราชการแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น แก่ประชาชนภายในชาติไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นเครื่องมือใครแต่เป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรพัฒนาบุคลาไอบุคลากรที่ทรงคุณค่าเพื่ออย่างน้อยแกก็เลี้ยงตัวกัได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมคือทำยังไงว่าอย่าให้คนเหล่านั้นปฏิบัติเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมต่นั้น ก ล, สะสะกลุ่มของสัตตตทิตติคือเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ย ม, มันมีอยู่มากแต่ท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจว่าการจะให้รายละเอียดนี้ก็เรียกว่าท่าสอนนักศึกษาก็สอนกันนานสอนกันก็เรียกว่าครึ่งปีจะจบหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นการนำให้ท่านทั้งหลายดูว่าเป็นตำลองนำเที่ยวนะ ก็เจาะรายละเอียดลงไปไม่ไดนะ้เพราะเราต้องการจะให้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองบรรยายประสู์ยาวเยยดกลุ่มเนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นอุเชตทิธิอุเชตทิธินั้นให้เห็นว่ามันมันแรงเพราะจะเชื่อมโยงไปถึงกรรมแต่อย่าลืมมันก็ไม่ได้แรงทุกสาขานะฮะคือบางพวกเขาบอกว่าศูนย์หมด ขาดศูนย์หมดบางพวกกขาดศูนย์บางสิ่งก็ไม่แน่ตอนบางสาขาจึงไม่ค่อยเป็นอันต ร, รายต่อสวรรค์แต่บางสาขาก็เป็นอันต ร, รายที่สําคัญก็คือพวกนี้เมื่อถือว่าชีวิตขาดศูนย์แล้วจะปฏิเสธกรรมคือนัตติกาติฐิด้วยส่วนทิฏที่เป็นกลุ่มกรรมที่ถือว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏซึ่งเคยพูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าทรงชช้กรรมวัตฏะขานนคือเป็นหลักตอนในวัตฏะ เราถือว่ากรรมทั้งดีทั้งชั่วไม่มีปฏิเสธเหตุปฏิเสธว่าผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีเหตุมันเกิดมันเองเปนเรื่องความบังเอิญเมื่อเรากินหมากก็ไม่มีอะไรแดงนะพอเคียเค้ยวๆไปมันก็แดงกันมันเองซึ่งพวกปราชญาแขกมักจะชอบยกอุปมารเรื่องหมากแลก้วก็กลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธหมดเลย อย่างที่พูดเรื่องทิฏฐิสิประการมิจฉาทิฏฐิสิบทรงแสดงในที่ใดก็ตามจะทรงแสดงเรื่องมิจฉาทิฏฐิถ้าถ้าพูดสิบแล้วเนี่ยจะเน้นที่มิจฉาทิฏฐิสิบนั้นการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสรวงไม่มีผลเป็นต้นนี้สิก็เคยกล่าวไว้หลายสูตรแล้เพราะถ้าหากว่าคนมีความเห็นเป็นเช่นนั้นมันหยุด ความเพียรพยายามที่จะสร้างความดีพราะคนเราจะทำอะไรมันก็ต้องรู้ว่าทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแต่ว่าปฏิเสธทั้งเพื่ออะไรทั้งเป้าหมายทั้งผลประโยชน์ที่ตนจะได้แล้วไม่รู้จะทำทำอะไรพวกนี้จะไม่ทำและจะแสวงหาความสุ ข, ขในปัจจุบันทีนี้ในกลุ่มที่ถือว่าพวกรูปฌานอะรูปฌานพวกอรูปฌาน รูปปัจจานเรือรูปประชานก็ตามนี่ถือว่าขาดศูนย์ก็เป็นการมองในมุมแคบๆของท่านเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะสมมติว่าท่านจะถือว่าขาดศูนย์แต่ท่านบําเพ็ญเพียรให้ได้บรรลุฌานเพื่อจะได้ขาดศูนย์ท่านก็ได้บังเกิดในพรหมโลกมันก็ดีกว่าตกนระกยะเหมือนกันส่วนพวกทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมอนิพพานนะทิฏฐ คือความเห็นว่านิพานเป็นธรรมที่เห็นกันได้ในปัจจุบันแต่ไม่ได้หมายถึงในแนววิมุตห์นะฮะอันนี้ที่แสบที่สุดก็คือกลุ่มที่ที่เรียกว่าจาราวาคือถือว่าความสุขจากสัมผัสสนองตอบความต้องการของตนในแง่กามารมณ์มากที่สุดคือแง่กามาคุณน ะ, ะตั้งการมารมกับกามาคุณนะ่ะให้มากที่สุด พวนี้จะตอกเน้นในเรื่องเหล่านี้มากนะที่จะระว่ามันเป็นพวกขยะความคิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมมากสมัยพุทธกาลเองก็ไม่กล้าเผยแพร่อะไรมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าศัตรู้แล้วก็เผยแพร่กันอยู่พระอาหารหันต์ก็มีอยู่ทั่วไปแต่ในกลุ่มคนที่พระพุทธเจ้าทรงตมิเนี่ยกลุ่มเนี้ยเพราะจะเป็นกลุ่มคนที่ก็ไม่เคยต่างอะไรจากส มันจะมุ่งแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุมากเกินไปส่วนพวกที่ถือว่ารูปฌานเป็นนิพพานก็จะเป็นหนึ่งสองสามก็ตามแหละยังยังไงยังไงทั้งก็มีโอกาสได้ทำดีไปแยะเพราะว่าถ้าท่านต้องการนิพพานท่านเชื่อว่าปฐมฌานเป็นนิพพาน ก็บำเพ็ญเพียรจนบนรรลุเจโตสมาธิมีจิตใจสงบบรรลุรูปฌานก็จะทำให้ท่านได้รับความสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นในพรหมโลกด้วยอาทิฐิเหล่านี้จึงไม่ใช่ห้ามสวรรค์ทั้งหมดแต่ห้ามไม่ผ่านทั้งหมด ทำไมยังห้านิาพพานทั้งหมดเพราะท่านเดินไม่ถึงคือบางพวกแม้จะเก่งอย่างนี้อย่างพวกที่ถือว่ารูปฌานเป็นนิพพานเนี่ยต้องกระเดินไปหยุดแค่นั้นอย่างเช่นท่านอาราดาบทการามาโคตุทกดาบทรามาบท ต, ตอนที่พระพุทธเจ้าสดสรู้แล้วกำลังเลือกคนจะเทศให้ฟังเป็นคนแรกได้รับสั่งว่าอาจารย์ทั้งสองชิบหายใหญ่แล้วคือใช้คําอย่างน่าสลดและชิบหายอย่างแรงเล คือประสบความเสื่อมอย่างแรงมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนั้นต้องเกิดในอรูุประพรุมอายุอาูุประพลมเนี่ยมันเหลือกำลังคือพระพุทธเจ้าจะมาสัสรุอีกสองสองสามสี่องค์แกยังไม่ระจุติลงมาสักทีหนึ่งเพราะในโวหารของพวกที่บาเพ็ญเพียร จึงบอกว่าตกนรกดีกว่าเกิดในรูปภพเพราะว่าอายุมันน้อยกว่าแล้วพระพุทธเจ้านั้นจะในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่บำเพ็ญเพียรเพื่อไปบังเกิดในรู ป, ปรภพรเพราะมันนานเกินไปเสียเวลาในการสร้างบารมีนี่ก็เป็นข้อความในปรมะมาชลายสูตรซึ่งได้นำเอาทิฏฐิทั้ง16ประการและก็จุนสีลมหาศีลมชิมศีลมากล่าวโดยสรุป ให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นภาพหรือจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนื่องจากเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดในสมัยก่อนนั้นทิตติบางกลุ่มเขาเรียกว่าอาตัตญาธรรมวิชยาที่เรียกว่าอันตรายกะทิตตินั้นเขาไม่สอนกันในระดับทั่ ว, วไปแต่ปัจจุบันนี้เราก็นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เอาเด็กชั้นมัธยม4มัธยม5มาเรียนอันตรายกะจิตติเลยก็เข้าปากกันใหญ่ เราพื้นฐานเด็กไม่พร้อมที่จะเรียนระบบความคิดขนาดนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมอันพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่าน